ส่วนธรรมะที่ควรทําให้บังเกิดขึ้นเนี่ยนะธรรมะหมวดห้าที่ควรให้บังเกิดขึ้นก็คือสัมมาสา ม, มาธิประกอบด้วยญาณห้าอันนี้ญาณห้าตัวนี้เป็นชื่อของปัจจเวกขณะญาณด้วยนะปัจจเวกขณะญาณ น, นี้หมายถึงปัจจเวกอรหัตผลด้วยเนี่ยนะปัจจเวกขณะญาณที่พิจารณาอรหัตผลเนี่ยนะอันนี้ลึกซึ้งมากคนนี้เนี่ยนะของมาก็ได้อ่านนะเออทาให้ละลึกถึงเออผู้ที่ปฏิบัติดีเขา เขามีความสุขกับสิ่งเหล่านี้เนะนี่ยนไะก็คือบอกว่ายานบังเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปหมายถึงว่าสมาธิต้นๆเนี่ยเป็นเหตุให้สมาธิหลังๆเนี่เกิดสบายมากว่า ง, งั้นเถอะอันนี้เป็นยานข้อแรกข้อสองยานบังเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้เป็นอริยะอริยะก็คือไกลจากกิเลสเนี่ยนะไม่มีอามิตรเลย เป็นสมาธิที่ไม่มีอามิตรอมิตรมีสามอย่างนะอมิตรอ่ะข้อแรกนะอมิตรคือกามก็สองอมิตรคือวัตตะก็สามอมิตรคือโลกเนี่ยนะสมาธิเขาเกิดบอกแม่สมาธินี้ดีเหลือเกินว่างั้นเถอะเป็นอริยะไม่มีอามิตรคือกามไม่มีอามิตรคือวตะไม่มีอามิตรคือโลกเลยจากข้อสามเขบอกว่ายานอันบังเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้อันบุรุษผู้ไม่ต่ําช้าเสพแล้วโอ้โห ต้องคนประเสริฐจริงๆนะจึงจะเข้าสมาธินี้ได้จ้องเป็นมหาบุรุษพระพุทธเจ้าพระปเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นแหละจึงจะได้สมาธิอันนี้เนี่ยนะส่วนข้อสี่บอกว่ายานบางเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้สงบประณีตมีปฏิปัสสต์ที่อันได้แล้วก็คืออรหันตผลนะนะถึงความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นและไม่ใช่ข่มขีห้ามด้วยจิตเป็นสะสังขาร หมายคือว่าเข้าได้อย่างคล่องแคล่วชำนิชำนานสะดวกสบายหมดไม่ต้องไปข่มไม่ต้องไปกระวาได้อย่างสบายสบายว่างั้นเนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากมายแล้วก็ข้อห้า 5. ยานบังเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าก็เรานั้นมีสติเข้าสมาธินี้และมีสติออกจากสมาธินี้เนี่ยนะก็ไอยานที่ที่ชำนานอ่ะนะ ความที่ท่านมีสติภัยบูนมีปัญญาภัยบูนเข้าก็สะดวกออกก็สะดวกเข้าง่ายออกง่ายเนี่ยนะอันนี้แหละทั้งทั้งห้าประการเหล่านี้แหละเรียกว่าอรหัตผลสมาธิทั้งหมด น, นะนะผู้ที่มีปัจจเวกขณะยานมีปัจจเวกขณะยานแล้วก็พิจารณาอรหัตผลสมาธิทั้งห้าข้อนี้นั้นธรรมะทั้งห้าเนี่ยอยู่ในธรรมะที่ว่าควรให้บังเกิดขึ้นเนี่ยนะ ธรรมะห้าที่ควรให้บังเกิดขึ้น <c oughs> ทีนี้ส่วนในข้อต่อไปเนี่ยนะข้อสุดท้ายเออขอไปหมวดเก้าหมวดเก้านี้คือธรรมะที่ควรรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งอันนี้แหละที่บ่งถึงลักษณะชี้ชัดถึงว่า อ, อปฏิบัติเนี่ยนะ ให้มันอยู่ในหข้อเนี้ยข้อใดข้อหนึ่งก็น่าพอใจแล้วเนี่ยนะคือวิมุตตาญตนะห้า 5. ก็มาจากศัพท์ว่าวิมุตต์บวกอายตนะอันนะวิมุตต์บวกอายตนะวิมุตต์นี่ก็แปลว่าความหลุดพ้นอ่ะนะแต่อายตนะนี่แปลว่าอะไรอายตนะนี่โดยศัพท์นี่แปลได้หลายอย่างเนี่ยนะอายตนะบางแห่งก็แปลว่าถิ่นเกิดแปลว่าถิ่นเกิด เนี่ยนะอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสถานที่สมมสรที่ประช ม, มนนะอ่ะนะอาสมัยมาเรียกสมาคมหรือสมมูลชัดดีเนี่ยนะใครครอบเข้าสมาคมก็เรียกสมาคมก็ได้เรียกสภาก็ได้เนี่ยนะแต่ตรงนี้บอกว่าแปล ว, ว่าสถานที่สมมสรถ้าบอกว่าอายตนะคําว่าเป็นที่เกิดเนี่หมายถึงเป็นที่เกิดของจิตเจตสิกะนะ ท, ทั่วไปหรืออีกบอกว่าเป็นสถานที่สมมสอนของจิตและเจตสิกก็ได้ แต่ว่าในที่นี้แปลว่าเป็นเหตุอายตนะแปลว่าเหตุเนี่ยนะวิมุตตายาตนะแปลว่าเหตุเรียกว่าเหตุแห่งวิมุติเนี่ยนะเหตุแห่งวิมุตวิมุตตายาตนะก็เลยเรียกว่าเหตุแห่งวิมุติเหตุแห่งความหลุดพ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหนึ่งในห้าข้อนี้ก็ท่านเลยหลุดพ้นเนี่ยอาจจะจากข้อใดหรือข้อหนึ่งก็ได้ นะถ้าเป็นสมัยก่อนแนละ้วข้อหนึ่งนะจะมีมากที่สุดในบรรดาทุกๆข้อเลยข้อแรกบอกว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภาษาสดาหรือสัพพมจารีผู้อยู่ในฐานะแห่งครูรูปใดรูปหนึ่งแสดงธรรมแก่ภิกษุนะฟังศาสดาหรือสัพพมจารีผู้อยู่ในฐานะเป็นครูเนี่ยนะแสดงธรรมะเนี่ยถ้าแสดงธรรมะนี้ควรจะเป็นธรรมะอะไรที่ท่านแสดงะนะจึงจะเรียกว่าธรรมะนะ ไม่ใช่ว่าโอเรียกว่าท่านขึ้นเทพก็เรียกว่าธรรมะหมดไม่ใช่นะควรจะเป็นแค่ไหนจริงก็เรียกว่าธรรมะต้องเทศในแปดหมืนสี่พันพระธรรมะขันใช่ไหมเอาขันใดขันหนึ่งอ๋อกันนก็ตรงนี้อัตถกาถาท่านบอกว่าแสดงสัจจะธรรมทั้งสี่เนี่ยนะคือประกาศอริยสัจสี่นั่นเองหมายถึงว่า ภาษาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสัพพรมจารีผู้อยู่ในฐานะเป็นครูเนี่ยนะก็แสดงอริยสัจสี่เนี่ยนะอย่างพระนันทากะก็แสดงอริยสัจสี่นะที่พิกษุณีบรรลุเท่าไหร่ห้าร้อยอย่างเงี้ยนะพะนันทากะนี่ก็เทพเก่งนะอย่างภาษาริบุตรเนี่ยแสดงธรรมแล้วบรรลุบรรลุหาที่ประมาณไม่ได้นะในสม จ, จิตสูตรเนี่ยนะภาษาริบุตรแสดงก็บรรลุหาประมาณไม่ได้เหมือนกัน ไม่ต้องพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเทศนี้จะบรรลุขนาดไหนนะจุลราหูโลวาทสูตรเนี่ยบรรลุหาประมาณไม่ได้มหาสมัยสูตรก็บรรลุหาประมาณไม่ได้มงคลสูตรก็บรรลุหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะแ ต, แต่ก็ยังคิดๆนะในนั้นก็ไม่มีเราอยู่เลยนะแต่ก็รู้ว่าเออการฟังนี่ก็เป็นเหตุให้บรรลุตั้งมากเนี่ยนะพรา ะ, ะภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็ฟังเนี่ยนะฟังแล้วก็รู้ทั่วถึงอัด รู้ทั่วถึงอัดรู้ทั่วถึงธรรมะคำว่ารู้อัดรู้ธรรมในที่นี้หมายถึงว่าฟังแล้วเนี่ยนะพยัญชนะเนี่ยจะเป็นเครื่องบอกพยัญชนะเนี่ยจะเป็นรหัสบอกบอกคำ <c oughs> ผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยนะถ้าโดยหลักแล้วเขาเขามีหลักว่าไพโรในเบื้องต้นเนี่ยนะอาทิกาลยานางังไพโรในท่ามกลางคือ มัชเชกาลยานังเนี่ยนะภยร้อในที่สุดก็คือปริโยสานกาลยานางังแต่ทำไมเขาแปลว่าภายเอ่อภร้ก็ไม่ทราบกาลยาน่านี้โดยศัพ์แปลว่าดีพูดเบื้องต้นก็พูดดีท่ามกลางก็พูดดีที่สุดก็พูดดีขวางั้นเถอะอันนี้ก็เป็นหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้วก็แนะนำว่าพระธรรมกถึกทั้งหลายผู้ที่จะแสดงธรรมก็ต้องแสดงในในหมวดเหล่านี้เนี่ยนะ คือไพระในเบื้องต้นด้วยศีลเนี่ยนะไพระในท่ามกลางด้วยสมถะกับวิปัสนาเนี่ยนะไพรในที่สุดด้วยมรรคผลเนี่ยนะนี่นหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือไพระในเบื้องต้นด้วยศีลไพระในท่ามกลางด้วยอริยมรรคไพระในที่สุดด้วยมรรคผลเออขอไป ไพโรในที่สุดด้วยผลกับนิพพานเนี่ยนะตอนนั้นก็ฟังแล้วก็ฟังให้ออกว่าบทไหนเป็นอะไรเนี่ยนะทีนี้ถ้าพูดถึงศีลอนนะอารมณ์ของศีลคืออะไรอย่างง้หหรือรายละเอียดของศีลถ้าอริยมครคนี้ อ, องค์ประกอบของอริยมครคนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอัน น, น อ, ยอย่างลองยกตัวอย่างนะองค์ประกอบของมร์หรือสมถาวิปัสสนาก็ได้ เช่นว่าคำไหนที่ประกาศคำว่าศรัท ธ, ธาคำนั้นแสดงศีลเนีย่ยนะคำว่าศรัท ธ, ธานะบอกถึงศีลถ้าคำว่าสติสมาธิวิริยะอันนี้ประกาศถึงอะไรสมถะเนีย่ยนะใช้คำว่าสติสมาธิหรือวิริยะนะคำนี้อยู่ในกลุ่มสมถะถ้าตรงไหนใช้คำว่าวิตก ปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้บ่งถึงวิปัสนาเนี่ยนะบ่งถึงวิปัสนาถ้าทั้งสามอย่างประชุมกันเมื่อไหร่เรียกว่ามรกเนี่ยนะผลของมรกเรียกว่าผลอารมณ์ของมรกผลเรียกว่านิพพานเนี่ยน ะ, นนะก็จะมีศัพท์อยู่เท่านี้แหละโดยองค์รวมๆเต็มๆแล้วนะมีอยู่เท่านี้ เราก็ต้องฟังให้ออกว่าเอ๊คเนี้ยหมายถึงอะไรคํานี้ว่าหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นพอฟังเสร็จก็รู้อัดรู้ธทรรมเนี่ยนะสา์เหล่านี้นะทั้งทั้งหมดที่ขึ้นไปนี่เรียกว่าอัฏฐะเนี่ยนะถ้อยคําพยัญชนะที่พูดถึงอ่าแสดงอัฏฐะเหล่านี้เรียกว่าบาลีหรือว่าธรรมะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอฟังเทศพอพออ่า ภาษาสดาหรือสัพพมจารีผู้อยู่ในฐานะครูเขาแสดงธรรมะเนี่ยให้ภิกษุฟังคือภิกษุฟังเสร็จก็รู้อัดคือรู้ธรรมะคุกุธรรมะทั้งหมดเราเนี่ยนะแล้วก็รู้ธรรมพอรู้อัดรู้ธรรมแล้วเกิดอะไรขึ้นเนไเธอรู้อัดรู้ทั่วถึงธรรมนั้นปราโมทย์ก็เกิดเนี่ยนะ เมื่อปราโมทเกิดปีติก็ย่อมเกิดเมื่อใจประกอบด้วยปีติกายก็สงบปะสะัสสิเมื่อกายสงบย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี่เป็นวิมุตตาญตณะข้อที่หนึ่งเรียกว่าเหตุแห่งวิมุตตนะ์เห็นไเหตุแห่งการบรรลุข้อแรกหลังนั้นเถอดซึ่งอรรถกถาที่บายว่าภิกษุนี้เมื่อฟังธรรมนั้นย่อมรู้จักฌานวิปัสสนามรรคผล ในที่ฌานเป็นต้นมาแล้วมาแล้วหมายความว่าถ้อยคํานี้จะเป็นตัวประกาศความหมายนั้นๆเมื่อพิสูจน์นี้รู้อยู่อย่างนี้วิปสัสสนาปีติก็เกิดในระหว่างปีตินั้นพิสูจก็ไม่ทอ้อถอยบําเพ็ญอุปจาระกรรมฐานเจริญวิปัสสนาย่อมบรรลุอรหัตธาหันเพราะฉะนั้นคําว่าจิตตั้งมั่นนี้ท่านบอกว่าตั้งมั่นด้วยอรหัตตผลสมาธิเนี่ยนะอรหัตตผลสมาธินี่นะเพราะอะไรเพราะคําว่าปีติ เป็นต้นนี้ก็อยู่ในปีติปรามโมทอยู่ในทั้งส ม, มถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้บางแห่งนี้กล่าวถึงว่าผู้ที่รู้ความเกิดและความดับของขันทั้งหลายหมายว่าพิจารณาเห็นความเกิดความดับของขันทั้งหลายโดยประการใดๆปีติก็ย่อมเกิดเนี่ยนะปีติความอิ่มใจก็เกิดนะปีติปรามโมทก็เกิดนั่นแหละเป็นอมะตะของผู้รู้แจ้งว่า ง, งั้นเถอะนั่นเป็นอมะตะของผู้ที่อบรมวิปัสสนาเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นปีติปราโมทเนี่ยเป็นรหัสที่บอกว่านี่เป็นสมถวิปัสสนาก็ได้เนี่นะปีติปราโมทนะเพราะคำว่าปีตินี้สูงถึงไหนปีติเนี่ยตติยะทูติยฌานก็ยังมีปีติอยู่เลยตติยฌานปัญจการในก็ยังมีปีติอยู่ดีเนี่ยนะนันคำว่าสมาธิตรงนี้เน้นที่อรหัตผลสมาธิเพราะฉะนั้นฟังทมจบก็บรุพผ้าอรหันได้อันนี้หมายถึงผู้มีบุญนะ ภาษาลิบุท์นี้ก็บรลุพระฟังนะถึงมีปัญญาขนาดนั้นก็บรรลุกพระฟังอันนสมัยพุทธกาลเลยผู้ที่บรรลุกพระฟังเนี่ยมากกว่าอย่างอื่นในาศาสนานี้นะทั้งหมดเลยบรรลุพระฟังมากที่สุดเนี่ยนะรองมาเป็นอันดับสองไปเจริญภาวนาเองมั้งเนี่ยนะแต่ว่าเทศแล้วบรรลุนี่มีมีได้แต่ว่าไม่มากนะักนะอย่างเช่นพญมก่าเนี่ยนะไปเทศแล้วก็บรรลุเลยนะคือ ข้อที่2หมายถึงว่าไม่ได้ฟังแต่เทศโดยพิสดารพอเทศจบก็บรุคนเทศก็บรุคนฟังก็บรุ ก, บรก็อย่างพยมะกะเอพระเขมะกะนี่นะพระเขมะกะในขันธวารวักเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมตามนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุให้ได้บรลลุเหมือนกันส่วนข้อที่สการสาธยายธรรมเนี่ยนะการสาธยายธรรมก็เป็นเหตุให้บรลลุนะในสัจชายสูตรสัจชายสูตร วณปัตตสังยุตสังยุตา น, นิกายสคาทวรกเนวีวณปัตตสังยุตคือพูดถึงสังยุตว่าด้วยการอยู่ป่าเนี่ยนะพระภิกษุอยู่ป่ากันทีนี้มีพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยท่านชอบสาธยายเนี่ยนะปกติท่านจะสาธยายบ่อยมากท่านเรียนเสร็จก็มาสาธยายเรียนเสร็จก็มาสาธยายท่านก็สาธยายไปแล้วก็เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็เลิกสาธยาย พอท่านเลิกสาธยายเทวดาก็มาถามว่าทําไมท่านไม่สาธยายเหมือนเดิมล่ะว่า ง, งั้นเถอะแคว่ว่ามามาแคมาเตือนอ่ะนะเหมือนกับว่าท่านขี้เกียจไปมั้งอ่ะนะเมื่อก่อนก็ขยันดีตอนนี้ก็ไม่ค่อยขยนันก็บอกว่าเราสาธยายเพื่อประโยชน์แห่งทำใดเราถึงทำ น, ะนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องสาธยายแลย้วว่า ง, งั้นเถอะมันก็เลยท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นนะเพราะท่านไม่ต้องสาธยายอีกแล้วเพราะการสาธยายก็เป็นเหตุให้ได้บรรลุนะ แล้วก็แต่เราก็สาธยายให้สบายใจหรือให้กุศลจิตเกิดก็ก็ดีเหมือนกันเนี่ยนะวิธีการสาธยายนี้นับว่าเบามากเนี่ยนะถ้าถ้าเราจาได้คล่องแล้วนะก็สวดสาธยายตึกไปตามก็เบามากถ้าใครที่ชอบสวดน่ยนะส่วนข้อที่4นี้หมายถึงเธอย่อมตรึกตามตรองตามเพ่งตามซึ่งธรรมะที่ได้ฟังได้เรียนมาด้วยจิต เห่งตามด้วยใจเนี่ยนะไข้ค ร, ครวนบทธรรมที่ฟังมาที่เรียนมาเนี่ยนะไข้ค ร, ครวนเหล่านะอันนี้ก็เป็นเหตุให้บรรลุได้เนี่ยนะอย่างผู้ที่ตรึกตรึกมากๆแพ่งมากๆกนะก็คือพระพระอนุรุทธะนะพระอนุรุทธะนี้อยู่ในหัวข้อมหาปริสวิตก8ประการเลยนะท่านตรึกเลยนะท่านตรึกเออธรรมะนี้ไม่ใช่เป็นธรรมะของคนมากมากนะมันต้องมักน้อยนะท่านก็ไข่ครวนท่านตรึกไปเรื่อยเรื่อย นะแล้วก็สงสัยข้อสุดท้ายที่พระองค์มาแนะนำว่าธรรมะนี้เป็นที่ไม่มีความไม่เนื่นช้าเป็นที่มายินดีไม่ใช่ยินดีในความเนื่นช้าว่ากันนะหลังจากนั้นท่านก็เพ่งตามก็ไม่นานก็บรรลุดังั้นการตรึกการคร่ครวนมากๆเนี่ยนะจากบทธรรมที่ฟังมาเป็นต้นก็เปนเนตรให้ให้วีมุตได้ให้หลุดพ้นได้ส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยนะคือข้อที่หคือสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ภิกษุนั้นเรียนดีแล้วก็ทําไว้ในใจดีแล้วทรงไว้ดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอันนี้หมายถึงการเจริญสมาธินิมิตในอัตถกาถาท่านหมายถึงสมถะสามนะสาก็อนุสติ10กษินสิอสุภาษิสพรหมิหาร4อาหาเรปฏิกูลสัญญาสีเนี่ยนะอาหาเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งธาตุกรรมฐานอรูปกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานเหล่านี้ก็อย่างใดอย่างหนึ่งก็ใส่ใจในสมาธินิมิตนั้นมากๆ แทงตลอดด้วยดีซึ่งสมาธินิมิตออกจากสมาธินิมิตนั้นก็เจริญวิปัสสนาก็เป็นเหตุให้ได้บรรลุมรรคผลได้อันนี้เป็นข้อที่ห้านะเพราะฉะนั้นในเหตุห้าประการนี้ก็เป็นเหตุให้บรรลุหมดเลยเนี่ยนะทั้งห้าน่าจะได้สักข้อหนึ่งนะเราน่าจะศึกษาแบบนี้ว่าชีวิตของเราน่าจะอยู่ให้ได้อยู่ในห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งคือ ไม่ไม่ควรจะกล่าวว่าต้องข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นเนี่ยนะควรควรที่จะได้เอาทั้งคือเหมือนกับมงคลสามสิบปดนะใครใเคยสาธยายมงคลหรือจํามงคลทั้งสามสิบปดได้ก็ควรจะสอบสวนวะ่าเอ๊วันนี้เราได้มงคลกี่ข้อละเนี่ยนะควรจะได้มงคลอะไรบ้างก็ก็สอบสวนแบบนั้นนะทีนี้ถ้าวิมุตตายาตนะห่านี้เราก็ควรทรงจําว่าเอ๊ตอนนี้เราได้วิมุตข้อไหนข้อหนึ่งมั่งนะวิมุตตายตนะได้ข้อหนึ่งไหม เช่นตอนนี้ฟังหรือเปล่าถ้าไม่ฟังแสดงเองไหมถ้าไม่แสดงสาธยายถ้าไม่สาทยายตรึกถ้าไม่ตรึกเจริญกรรมฐานถ้าไม่อยู่ในห้าข้อนี้มันก็บาปอย่างเดียวเนาะถ้าถ้าปฏิบัติไม่ได้ห้าข้อนี้โอโ้แสดงมันหนักหนาเต็มทีเพราะนี้กว้างขวางที่สุดแล้วในบรรดาการเจริญเพื่อความพ้นทุกขนะ์เนี่ยนะย ก็ก็นับว่าในกลุ่มสาธยายก็ก็อ่านออกเสียงก็กลุ่มสาธยายนั่นเองถ้าอ่านให้ผู้อื่นฟังก็แสดงเนี่ยนะก็หาผู้ฟังมั่งอะนะหาอ่านนี่คนโน้นฟังมั่งคนนี้ฟังมั่งอย่าลืมว่าต้องต้องรู้ว่าคนที่เขาพอฟังนะเทศผิดที่เดี๋ยวลําบากอีกก็ต้องคอเดียวกันหน่อย เดิมนี้เนี่ยนะคือเรื่องเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยนะของมาก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พูดยากมากๆเนี่ยนะถ้าใครที่ไปที่ไหนแล้วนะเขาอยากให้เราพูดธรรมะให้ฟังได้เนี่ยนะคนนั้นก็นับว่ามีบุญมากควรจะพูดให้เขาฟังได้แล้ะเพราะว่าหายากที่คนจะแมายขอให้นั่นพูดธรรมะให้ฟังทีเธอขอแนะนําธรรมะหมวดนั้นหมวดนี้นะโอเป็นโอกาสอันดีแล้วเนาะเป็นลาบอันดีละมันก็ควรทําไปเถอะเนี่ยนะแต่ปกติแล้วก็แนะนําธรรมะเนี่ยยากมาก ก็เอาง่ายๆว่าเรานี่อยากให้คนอื่นมาแนะนํำธรรมะให้เราไม่ล่ะก็ก็ไม่ค่อยง่ายเหมือนกันใช่ไหมเอาคนโน้นมาพูดธรรมะฟังทีคนนี้มาพูดในฟังทีเราเองก็ไม่ค่อยอยากฟังใครพูดสักเท่าไหร่เชียวแล้วเราเนี่ยจะไปพูดแล้วคนอื่นก็จะชอบฟังอะไรกันนักกัหนาใช่ไหมแล้วก็ควรเอาใจเขามาใสา่ใจเราอะนะเราเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะดีไม่ดีหนักกว่าเขาซะอีกอย่างเงี้ยนะเพื่ะนั้นก็เห็นใจเขาบ้างเสร็จแล้วก็ค่อยๆหาโอกาสหาจังหวะไป ถ้าหาไม่ได้แล้วเราจะไปป่วยทําอะไรใช่ไหมเราก็ไม่ได้ว่างขนาดว่าแม้ต้องเละไปคอยแสดงให้เขาฟังขนาดนะ้อเราไม่ได้ว่างขนาดนั้นหรอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าแสดงเหตุแห่งมิมุติไว้ตั้งห้าอย่างใช่ไม้มเราก็เอาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ในข้อหนึ่งเราก็ข้อสองไม่ข้อสองเราก็ข้อสามถ้าสาทยายไม่ได้นะขอมาแนะนําว่านี่ท่องอิติปิโสวันละร้อยแปดรอบก็ว่าไปก็เนี่ยนะของมาว่าอะไรไม่ได้ของอิติปิโสพระขวารหังสัมมาสัมพุโทโธบางทีก็ แม่เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นผ้าหันไกลจากกิเลสถักข่าสึกคือกิเลสเราก็ว่าของเราไปเรื่อยอย่างนี้ใช่ไหมก็ดีกว่าไปคิดอย่างอื่นน่ะในธรรมะหมวดสุดท้ายนะัก็คือธรรมะที่ควรทาให้แจ้งคือธรรมะขันขันนี่โดยศัพท์นี่แปลว่ากองนะเช่นอุทกขันก็คือกองน้ําอย่างนี้นัะทาลุก ข, ขันก็กองไม้มันขันนี่แปลว่ากอง รำมขันก็คือกองแห่งธรรมถ้าขันห้าก็คือกองห้ากองอะนะไม่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนิโครนายกันอันนี้หมายถึงกองแห่งธรรมะห้า อ, อย่างก็คือศีลขันคือกองแห่งศีลสมาธิขันกองแห่งสมาธิปัญญาขันกองแห่งปัญญาวิมุตติขันกองแห่งวิมุตติวิมุตติญาณทัศนขันเป็นกองแห่งปัจเจเขนายาณ ธรรมขันเหล่านี้เนี่ยนะถือว่าเป็นธรรมะ ท, ที่ท่านส่งเสริมมากคือศีลขันสมาธิขันปัญญาขันธรรมขัน5ประการเนี่ยนะโดยเฉพาะศีลขันสมาธิขันปัญญาขันเนี่ยนะเป็นสองอย่างเลยคือโลกิยะกับโลกุตระ เป็นกองถ้าเราเราลองมาเทียบดูนะเอากองแห่งศีลมาอันเดียวก่อนศีลเนี่ยเพราะอาถาว่าศีลละนะศีลน่ะหมายถึงศีลลนะศีละนะก็แบ่งออกเป็นสองเไว้คือสมาธานังกับอุปทานังอันนี้หมายถึงไม่กายวาจามไม่กระจัดกระจายอุปทานังคือ รองรับกุศลธรรมชั้นสูงทีนี้ทั้งทั้งคู่เนี่ยคืออะไรคือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลเนี่ยนะอันนี้คือตัวศีลศีลเหล่านี้ก็ยังมาแบ่งประเภทเช่นจารีศีลเนี่ยนะวารีศีลเป็นต้นนะนะก็ยังมีกลุ่มธรรมะอีก กลุมธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเบื้องต้นเป็นโลกิยะนะเบื้องต้นเป็นโลกิยะในขณะที่ประชุมกับอริยมรรคเป็นโลกุตระเนี่ยนะทีนี้ถ้าสมาธิล่ะสมาธินี้พระอาจถาว่าสมาทานังเหมือนกันสมาทานังของสมาธิหมายถึงว่าจิตเจตสิกไม่กระจัดกระจาย อะ น, นะไม่ใช่กายวาจาะนะจิตเจตสิกไม่กระจัดกระจายเกลื่อนกล่นออกไปก็เรียกว่าสมาธิสมาธิอันนี้มีท่านบอกว่ามีสุขเป็นเหตุใกล้ใช่ไหมสุขอันนั้นก็สุขมาจากศีลนั่นแหนละเพราะศีลน่าจะส่งเสริมที่สุด ข, ของศีลคือผู้มีความสุขผู้มีศีลแท้จริงคือผู้มีความสุขทีนี้สุขอันนั้นก็มาต่อด้วยสมาธิกจิตเจตสิกไม่กระจัดกระจายก็มาจําแนกสมาธิเนี่ยนะโดย อารมณ์ก็เป็นไปกับกรรมฐานสาสิแปดก็กว้างขวางมากทีนี้ถ้าเป็นปัญญาล่ะปัญานะชานะแปลว่ารู้ปะเนี่ยแปลว่าทั่วรู้ทั่วไอ้รู้ทั่วนี่ก็แบ่งออกเป็นว่ารู้ทั่วแบบวิปัสนาภูมิรู้ทั่วในวิปัสนาภูมินี่อย่างหนึ่งกับรู้ทั่วอริยสัจ ขณะที่รู้ทั่วอริยสัจก็เป็นขณะโล ก, กุตระมักถ้ารู้ทั่วแบบธรรมนาก็รู้ในวิปัสสภูมิซึ่งหมายถึงการเจริญวิปัสนาวิปัสสนาภูมิก็เช่นขันอายตนะธาถามว่ารู้ทั่วรู้ทั่วยังไง ร, รู้ทั่วโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองอถ้าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะถ้าเป็นเฉพาะโดดโดดโดดโ ด, ดอย่างเดียวอย่างเดียวก็เป็นโลกิยะ แต่เมื่อไรถ้าทั้งสมอย่างนี้สามมักขีกันขณะนั้นเป็นโลกุตระขณะที่ไตรสิกขาประชมกันเป็นโลกุตระทีนี้โลกุตระอันนี้ก็เป็นวิมุตผลของบรร ล, ลุเนี่ยนะก็เป็นวิมุตเพราะวิมุตนี่เป็นเป็นชื่อของผล น, นะศีลเป็นทั้งโลกิยะโลกุตระสมาธิเป็นโลกิยะโลกุตระปัญญาเป็นโลกิยะโลกุตระส่วนวิมุติเป็นโลกุตระอย่างเดียวเป็นผลทีนี้วิมุตติยานทัศนะเนี่ยนะวิมุตติยานทัศนะเป็นชื่อของปัจจเวกขณะยาน19เานี่ยนะเป็นชื่อของปัจจเวกขณะยาน19 19กก็คือของพระโสดาบัน ห้าพระสะกท า, าคามีห้าพระนาคามีห้าพระอาหารหันต์สี่เงื่อนไขเขาก็คือหนึ่งพิจารณากิเลส ท, ที่ละแล้วเนี่ยนะข้อสองก็พิจารณากิเลส ท, ที่เหลือข้อสามพิจารณามรรคข้อสี่พิจารณา ขอก็ห้าพิจารณานิพพานส่วนพรารหารนันนี้ไม่มีข้อเดียวพรารหันไม่มีพิจารณากิเลส ท, ที่เหลือเพราะว่าท่านหมดกิเลสเหลือแล้วเนี่ยนะเพะะิ่นคําว่าศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตมติอาณทศนะเป็นอย่างนี้บทความอันนี้ควรทําความเข้าใจให้มากเพราะว่าเวลาเจริญพุทธคุณนะคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่อย่างบทว่าอนุตตรโ อนุตตโรอเนี่ยนะสับเดียวแปลว่าไม่มีใครยิ่งกว่าเปรียบโดยศีลก็ไม่มีใครยิ่งกว่าโดยสมาธิก็ไม่มีใครยิ่งกว่าโดยปัญญาก็ไม่มีใครยิ่งกว่าโดยวิมุติก็ไม่มีใครยิ่งกว่าโดยวิมุตติยานัศนะก็ไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าอันนี้ถ้าจะชมพระพุทธเจ้านะบทว่าอนุตตโรหรืออีกในหนึ่งเวลาเจริญสังฆ ค, คุณเนี่ยนะว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตีแล้ว เนื่องจากว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ดำรงในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะเนี่ยนะก็บทธรรมเหล่านี้เป็นบทเอาไว้เจริญพุทธคุณก็ได้เจริญสังฆคุณก็ได้เนี่ยนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะที่ควรทำให้แจ้งเนี่ยะในชั้นแรกๆก็เอาไว้เจริญอนุสติก่อนก็ยังดี วิมุติยานทัศน์เป็นโลกิยะอย่างเดียวเพราะปัจเจเวคขณะยานนะปัจเจเวคขณะยานนั้นเป็นชื่อของปัญญาถ้าเป็นของพระเสขาก็เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตถ้าเป็นของพระอรหันต์ก็เป็นมหากิริยยาณสัมปยุตเนี่ยนะก็เป็นโลกิยะที่มีโลกิยะเป็นอารมณ์มีทั้งโลกุตระเป็นอารมณ์มีสังกตตเป็นอารมณ์และมีอสังกตตเป็นอารมณ์เนี่ยนะ นี่ก็คงสมควรกับเวลานะ